เจ้าคุณอาจารย์หรือพระอุดมวิชยาณเถระอายุราวสี่สิบรูปร่างสันทัดผิวคล้ำแต่ไม่ถึงกับดำเหมือนหลวงพ่อในป่าท่าทางท่านทรงภูมิธรรมเต็มเปี่ยมองค์นี้แหละที่หลวงพ่อในป่าบอกเราว่าเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้พระเจริญนึกในใจและดูเหมือนว่าเจ้าคุณอาจารย์จะอ่านใจพระหนุ่มออกจึงพูดว่า ทุกคนเป็นคนเก่งได้ทั้งนั้นทำไปละความเพียรท่านมองหน้าพระเจริญและพูดอีกว่าในวันข้างหน้าคุณจะเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกผู้ฝรั่งมั่งค่าจะต้องมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณแต่ผมพูดภาษาฝรั่งไม่เก่งนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระหนุ่มออกตัวไม่เป็นไร ถึงจะพูดไม่ได้แต่รับรองว่าคุณสอนพวกเขาได้และพวกเขาก็จะศรัทธาเลื่อมใสคุณมากอายุสี่สิ้าไปแล้วคุณจะมีชื่อเสียงก้องโลกแต่ระหว่างนี้คุณต้องศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากที่สุดภิกษุไวเบนจเพตออกแปลกใจที่เจ้าคุณอาจารย์พูดเหมือนเหมือนกับพระในป่าหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประสบความสาเร็จในทางธรรม เมื่ออายุสี่ห้าไปแล้วเสร็จพิธีขอกรรมฐานเจ้าคุณอาจารย์ก็เริ่มอธิบายเรื่องการเจริญสติปัฏฐานสเริ่มตั้งแต่กายานุปัสนาสติปัฏฐานมีใครเคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนไหมท่านถามเม Peach, ื่อไม่มีผู้ใดตอบ เจริญจึงเรียนท่านว่าผมเคยปฏิบัติแนวพุทธโธมาก่อนครับพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกและเดินจงกรมโดยก้าวเท้าขวากำหนดพุทธก้าวเท้าซ้ายกำหนดโธผมทำถูกหรือเปล่าครับเจ้าคุณอาจารย์ไม่ตอบว่าถูกหรือผิดหากท่านพูดว่าในมหาสติปทานสูตร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 ท่านถามและยังมิทันที่ผู้ใดจะตอบท่านก็ตอบเสเองว่าพุทโธมาจากพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ว่ายิงหรือชายก็เป็นพุทธะได้หากปฏิบัติถูกทางและอย่างถูกต้องทีนี้ก็จะพูดถึงอานาปณะสติการกำหนดพุทธหายใจเข้าโธหายใจออก ก็คืออาณาปณะสตินั่นเองแต่ทีนี้เราจะให้เปลี่ยนมากำหนดที่ท้องแทนที่จะเป็นลมหายใจทางจมูกการกำหนดที่ท้องให้กำหนดพองหนอเมื่อท้องพองและกำหนดยุบหนอเมื่อท้องยุบฟังดูไม่ยากใช่ไหมแต่เวลาปฏิบัติจริงยากนะเพราะจิตของเราจะไม่สามารถจับอยู่กับการกำหนดอย่างนี้ตลอดไป มันจะสัดสายไปหาอารมณ์อื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมันเพราะธรรมชาติของจิตคือการสวยอารมณ์ในสังยุตตนิกายนิทานวะรพระตรปิฎกเล่มที่16ข้อ1้พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบจิตว่าเหมือนลิงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนลิงเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ ย่อมจับกิ่งไม้มันปล่อยกิ่งนั้นแล้วจับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วจับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นชั้นใดธรรมาชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างก็ฉันนั้นธรรมาชาตินั้นในกลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไป เมื่อรู้ธรรมชาติของจิตเช่นนี้แล้วเราจะได้หาวิธีทำให้จิตจับอยู่กับอารมณ์ที่ต้องการเจ้าคุณอาจารย์อธิบายภาคปริยัตจากนั้นจึงให้อาจารย์แพงและมหาหนูสอนภาคปฏิบัติเริ่มจากการเดินจงกรมระยะที่หนึ่งโดยการกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอเมื่อลูกศิษย์เข้าใจกันดีแล้ว ท่านจึงให้แยกย้ายเข้าไปปฏิบัติในห้องของตนพระเจริญกับเนนทองดีเข้ามาปฏิบัติในห้องเดียวกันแบ่งเขตกันเดินจงกรมคนเป็นเนนปฏิบัติอย่างเอาจิงเอาจังเดินจงกรมแล้วนั่งเมื่อนั่งจนครบเวลาที่กำหนดแล้วลุกขึ้นเดินจงกรมสลับกันอยู่อย่างนี้กระทั่งถึงเวลาชันเพนพระเจริญเห็นเนรปฏิบัติอย่างขมักขม้น ก็เกิดความวิวริยะอุตสาหะดูภายนอกเหมือนว่าท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเต็มที่หากภายในจิตใจนั้นมิได้สงบท่านคิดถึงโยมยายเป็นห่วงโย ม, มานดากังวลเรื่องการสร้างพระอุบโบสถวัดพรมบุรีว่าจะเสร็จตามกำหนดเวลาหรือไม่พระมหาหนูซึ่งอยู่คณะสลักเป็นผู้สอบอารมณ์เรื่องการปฏิบัติ ท่านพอใจที่เนนทองดีปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากกว่าใครในรุ่นทั้งที่เป็นสมเณรอยู่รูปเดียวนอกนั้นเป็นพระภิกษุอายุตั้งแต่25ไปถึงห5เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเนนทองดีได้เลื่อนขั้นให้มาเดินระยะที่6ขณะที่เพื่อนร่วมห้องคือพระเจริญยังไม่ได้เลื่อนขั้น ให้มาเดินระยะที่สองพระหนุ่มรู้สึกงุดหงิดจึงตัดเพอะอาจารย์ผู้สอนว่าท่านมหาเลื่อนขั้นให้ผมบ้างสิผมยังไม่ได้ยกหนอเหยียบหนอเลยได้แต่ขวาย่างนอสายย่างหนอมาตั้งเดือนแล้วคุณยังเลื่อนไม่ได้ดนระยะที่หนึ่งยังสอบไม่ผ่านเลยจะให้เลื่อนได้ยังไงมหาหนูไม่ยอมใจอ่อน ทีเนนทำไมท่านเลื่อนให้นี่เขาเดินระยะที่หกแล้วผมยังอยู่ระยะที่หนึ่งอยู่เลยบอกตามตรงว่าผมชักอายเนนแล้วนี่ผมตั้งใจเอาเขามารับใช้นะทำไมถึงข้ามหน้าข้ามตากันอย่างนี้ท่านบ่นก็เข้าสอบผ่านผมก็ต้องเลื่อนให้เขาหน่ะสิคุณอายเนนก็ดีแล้วจะได้ตั้งใจปฏิบัติผมก็อยากเลื่อนให้คุณจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณสอบไม่ผ่าน ผมก็เลื่อนให้ไม่ได้มันอันตรายมากรู้ไหมมาหาจากรคณะสลักอธิบายทำไมเนนเขาถึงสอบผ่านล่ะครับนักธรรมตรีเขายังไม่ได้เลยส่วนผมได้นักธรรมโทตั้งแต่พรรษาที่สองมันไม่เหมือนกันนี่คุณภาควิชาการกับภาคปฏิบัติการนะ่ะมันแตกต่างกันลึบลับเนนเขาอายุอย่างน้อยไม่มีเรื่องคิดกังวลเลยปฏิบัติได้ผล ส่วนคุณคงจะกังวลอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ครุ่นคิดติดอยู่กับวิชาการเลยปฏิบัติไม่ก้าวหน้าคงจะจริงอย่างที่ท่านมหาพูดมาต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่คิดไม่กังวลเป็นอันว่ามารืนนี้ผมคงไม่ได้รับอนุญาตให้ฟังเทศตามลำดับยานใช่ไหมครับยังก่อนเพราะคุณยังไม่ผ่านการเดินระยะที่หส่วนเนนคงได้ฟังคุณใจเย็นๆนะ ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนผมขอฟังก่อนไม่ได้หรือครับโปรดยกเว้นผมสักคนเถอะพิษุไวเบนจำเพิสอ้อนวอนไม่ได้หรอกคุณมันอันตรายมากเลยถ้าจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะครับระหนุมไม่เข้าใจก็มันจะไม่เป็นวิปัสสนานนสิมันจะกลายเป็นวิปัสสนึกไปคือนึกเอาตามใจชอบก็จะไม่ได้ของจริงได้แต่ของปลอม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 ทางนี้ก็ไม่ได้ทางโน้นก็ไม่สําเร็จเลยไม่ได้เรื่องสักทางทำไมคุณไม่คิดว่าไหนๆทางวัดเขาก็ส่งคุณมาแล้วคุณก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตัดความกังวลเรื่องอื่นๆออกไปเสียเชื่อผมเถอะขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปจนกว่าจะสอบเลื่อนขั้นได้เองไม่ใช่มาขอความเห็นใจหรือมาขอคะแนนจากอาจารย์ภาวิชาการคุณอาจทาอย่างนั้นได้ แต่ภาคปฏิบัติการถือว่าอันตรายที่สุดหากคุณจะทําอย่างนั้นตกลงท่านมหาจะไม่ใจอ่อนเลยหรือครับผมอุตส่าห์พูดจนเมื่อยปากแล้วพระหนุ่มตอบว่าผมใจอ่อนไม่ได้หรอกคุณนี่ผมหวังดีต่อคุณจริงๆนะถ้าผมทําอย่างที่คุณขอร้องจะทําให้เสียหายมากและคุณจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรหลังจากที่คุณปฏิบัติถึงขั้นแล้ว วันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาสอบอารมณ์อาจารย์แพงได้พูดกับพระเจริญว่านีคุณสู่เน้นไม่ได้แล้วนะเน้นเขาโดนระยะที่หกแล้วส่วนคุณยังไม่ได้เลื่อนขึ้นระยะที่สองเลยท่านไม่รู้ว่าคำพูดนั้นจะไปแทงใจดำพระหนุ่มเขาอย่างจังมหาหนูเห็นพระเจริญหน้าเสียจึงออกรับว่าคุณจเจริญเขากังวลเรื่องการสร้างโบสถ์ ผมสอบถามดูแล้วจึงรู้สาเหตุว่าทำไมเขาถึงปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นเห็นัดจริงเน้นเขายังเล็กไม่มีอะไรต้องกังวลก็เลยปฏิบัติได้ออเร็วเมื่อกี้ผมสอบอารมณ์เขาตอบได้ฉดชานดีเหลือเกินเด็กมักปฏิบัติได้ดีกว่าผู้ใหญ่คุณเจริญอย่าไปกังวลเลยนะท่านปลอบเมื่อเห็นใบหน้าเศร้าส้อยของพระหนุ่ม เนนเข้าจวนสำเร็จหรื อ, อยังครับท่านมหาพระหนุ่มถามมหาหนูท่านกังวลว่าหากเนนสำเร็จก็จะกลับวัดไปก่อนท่านก็จะไม่มีเพื่อนคงเร็วๆนี้แหละเรียกว่าเก่งที่สุดในรุ่นเลยพวกที่มาอยู่ก่อนก็ยังไม่มีใครเก่งเท่านี้มหาหนูชมเขานั่งตะพึชเลยครับอดทนดีเหลือเกิน เดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแต่ตอนหลังๆเนี่ยจะหนักไปทางนั่งนั่งได้ทีหลายๆชั่วโมงพระเจริญรายงานความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมห้องคนก็เอาอย่างเขาบางสิจะได้สอบอารมณ์ผ่านได้เลื่อนขันกับเขาเสร็จทีอาจารย์แพงบอกครับผมจะพยายามพระหนุ่มรับคําทั้งที่รู้สึกว่าเสียหน้า ท่านคิดว่ากลับห้องจะต้องแอบถามเนนทองดีว่าตอบอย่างไรจึงจะสอบผ่านเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ขอเอาทางอ้อมก็แล้วกันพระเจริญเดินกลับห้องในเวลาไล่เรียกกับเนนทองดีท่านกลัวว่าเนนจะนั่งภาวนาเสียก่อนจึงรีบถามขึ้นว่า นี่เนนบอกมั่งสิไปตอบยังไงถึงได้เลื่อนขัน้นเนนทองดีตอบว่าพูดไม่ได้อาจารย์เขาไม่ให้พูดพระหนุ่มชักโกรธจึงลุกว่าพูดได้สิมีปากพูดนี่บอกหน่อยได้ไหมนี่เราอายเนนแล้วนะมาตั้งเดือนยังไม่ได้เลื่อนขัน้นท่านเนนบอกเราจะได้เลื่อนขั้นอย่างเนนบ้างท่านแทนตัวเองว่า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 เหมือนเมื่อตอนมาใหม่ๆแต่ที่จะผิดแผกไปจากเดิมก็คือมาระยะหลังนี้เขาพูดน้อยลงจนบางวันแทบจะไม่พูดครันพูดก็ปรากฏว่าหายติดอ่างแล้วเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นอนิสงของการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าพระเจริญไม่ผ่านการคัดเลือกให้ฟังเทศลำดับญาณซึ่งพระภิกษุชาวพม่า ชื่อท่านอาสภพะเทวระเป็นผู้เทศมีทูตจากสถานทูตพมา่ามาแปลเป็นภาษาไทยใช้เวลาเทศหกชั่วโมงเต็มเต็มคือตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มผู้ที่เข้ามาปฏิบัติวันเดียวกับพระเจริญมีเนนทองเดียวรูปเดียวเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกให้ฝั่งเทศลำดับยานได้นอกนั้นเป็นพระภิกษุที่มาปฏิบัติอยู่ก่อนเพราะการคัดเลือก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 ผ่านมาเห็นเข้าจึงรีบมาดึงตัวออกไปอย่าทำอย่างนั้นอันตรายมากรู้ไหมท่านกำชับก็ผมอยากฟังนี่ครับพระหนุ่มแก้ตัวอยากฟังก็ต้องเร่งปฏิบัติให้มากสอบทานเกณฑ์เมื่อไรคุณได้ฟังแน่มาแอบฟังอย่างนี้ทำให้เสียหายมากรู้ไหมถ้าท่านเจ้าคุณอาจารย์รู้เขา่าคุณถูกตำหนิแย่เลย ทีหลังอย่าได้ทำอย่างนี้อีกนะท่านกำชับ พ, พระหนุ่มไม่ยอมรับปากท่านคิดว่ามีโอกาสเมื่อใดจะต้องแอบฟังให้ได้ไปคุณกลับห้องไปปฏิบัติได้แล้วพระหนุ่มจึงเดินกลับห้องอย่างเงาหงอยเมื่อเข้ามาในห้องไม่มีเน้นนั่งภาวนาเหมือนเช่นเคยยิ่งรู้สึกอ้างว้างวังเวงท่านไม่มีแกีใจที่จะปฏิบัติ จึงจัดการส่งน้ำแล้วจําวัดท่านหลับตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูห้องเนนกี่โมงแล้วท่านถามเหมือนคนละเมอสองทุ่มเศษแล้วผมเพิ่งกลับจากฟังเทศลำดับยานท่านเทศหกชั่โมงเต็มเต็มเนนที่เคยพูดติดอ่าง พูดไม่ติดขัดเลยสักนิดท่านเทศว่ายังไงบ้างหลวงพี่อยารู้เลยไว้หลวงพี่ฟังเองดีกว่าอ๋อประเดี๋ยวผมจะนั่งไปจนรุ่งเช้าเลยถ้าเกิดผมนั่งนานผิดปกติหลวงพี่ไม่ต้องตกใจนะครับตกลงเราจะไม่รบ ก, กวนเนนขออนุโมทนาด้วยนะเนนทองเดียวเริ่มนั่งภาวนาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนรุ่งเช้า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 ามานี้ยังไม่ออกมหาหนูได้ยินจึงพูดขึ้นว่าจรจงเหรอสงสัยจะเข้าผลสมาบัติผลสมาบัติเป็นอย่างไรครับพระเจริญถามบอกไม่ได้ต้องให้ปฏิบัติได้เองถึงจะเข้าใจอะไรอะไรก็บอกไม่ได้ผมชักเบื่อแล้วนะถามเนเนเนนก็ว่าพูดไม่ได้อาจารย์เขาไม่ให้พูดไม่รู้อะไรกันนักหนาะ พระนุ่มบนอุบใจเย็นๆคุณจเจริญคุณยังมีเวลาอยู่ที่นี่อีกตั้งห้าเดือนช้าๆได้พระสองเล่มงามอาจารย์แพงพูดปลอบใจพระหนุ่ม